เราเคยสังเกตใจของเราไป ใ, ใจเรามีความสุขใจมันสว่างใจมันเบิกบานก็คอยรู้เอาบางทีสว่างแล้วมันสว่างออกนอกไปมันเพลินเพลินมีความสุขแต่มันเพลินเพลินอันนั้นก็ไม่ดีก็คอยรู้สึกตัวแต่อย่ารู้สึกแบบเข้มข้นรู้สึกมากไปก็ไม่ดี เอาแค่พอดีแต่พูดยากว่าแค่ไหนพอดีไม่มากไปก็น้อยไปจริงการภาวนานวไม่ได้ยากอะไรเลยเราภาวนานเพื่อเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ความจริงชีวิตวสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็ขันหาพูดภาษาไทยเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจ ถ้าเรารักกายรักใจมากกว่าอย่างอื่นรักว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอยึดเอากายเอาใจเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ยึดของอื่นกว้างๆออกไปของอื่นก็เริ่มเป็นของเรามีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติมีโน้นมีนี้อันไหนเราว่าเป็นของเราเราก็อยากให้อยู่นานๆ อย่างร่างกายก็เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราอยากให้อยู่นานๆไม่อยากแก่ไม 0, ่อยากเจ็บไม่อยากตายจิตใจก็อยากให้มีความสุขนานๆถ้าทุกนานๆไม่เอาอยากเอาความสุขนานๆถ้ามีความสุขแล้วอยู่นิร <eredith> ันดร์ได้ยิ่งดีแล้วก็มีความรักอยากให้มีความรักหวานแหววนิรันดร์ก่อนแต่งงานคนชอบคิดเรื่องนี้ แม่มีแต่งงานแล้วนะแฮปปี้เอนดิ้งน่าสงสารน่าสงสารทั้งสองคนแหละคือไปหวังหวังยึดตัวเองก่อนแล้วก็ยึดคนอื่นด้วยอย่างผู้หญิงนะแต่งงานแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนผู้ชายได้ตอนเป็นแฟนก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้นิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็น ผู้หญิงเนี่ยรอบคอบกว่าผู้ชายผู้ชายมันหน้ามืดนะผู้หญิงรอบครอบกว่าจะดูผู้ชายเห็นมีข้อไม่ดีตรงนั้นมีข้อไม่ดีตรงนั้นแต่อีกโก้นะผู้หญิงอะคิดว่าสามารถเปลี่ยนเขาได้คิดว่าวันหนึ่งจะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้ไม่รู้เรา น, นิสัยคนหมื่นปีก็เปลี่ยนยากส่วนผู้ชายนะกลับข้างหวังว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนเลย ควจริงเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่วนผู้ชายนะมันไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยหรอกเนะนี่ยไปหวังนะหวังพอไม่ได้อย่างหวังไม่มีความสุขอะนะหวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวังเสร็จแล้วก็หวังต่อไปอีกนะมีตัวเรามีของเรามีเมียเรานะก็มีสามีมเรามีลูกอีกหวังว่าลูกจะจีเนียส ลืมดูไ้กรรมพันธุ์ของตัวเองไม่จริงหกที่โทษลูกนะไม่มีโง่อย่างนี้เล่นทะเลาะกันคาดหวังว่าลูกจะเป็นอย่างที่ต้องการผู้หญิงอยากให้ลูกเป็นเด็กตลอดกาลมันดีคืนดีก็บนเมื่อไหร่จะโตสักทีแต่ถ้าลูกโตแล้วเสียใจ ลูกมันโตขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมันไม่ใช่เด็กที่เคยรู้จักและวทีมออกนอกบ้านไปวันหนึ่งแม่จะรู้สึกว่าไม่รู้จักลูกของตัวเองทําใจไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทุกข์เลยทำใจไม่ได้ไปทํางานหวังว่าเพื่อนร่วมงานจะดีกับตัวเองแต่ว่าเงินเดือนอยากขึ้นมากกว่าคนอื่นซีต้องเลื่อนก่อนคนอื่น หวังว่าคนอื่นจะดีกว่าตัวเองน mm hmm. มีความหวังอะไรที่ขัดแย้งในตัวเองเยอะแยะเลยเราอยากเป็นตัวของตัวเองนะแต่อยากให้สังคมยอมรับคนที่สังคมยอมรับเนี่ยต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปเยอะเลย mm hmm. งั้นโลกนี้นะมันเต็มไปด้วยความอยากอยากเป็นเริ่มตั้งแต่อยากในตัวเองนะค่อยๆขยายขยา ย, ย, ายออกไปขยายไปมากๆ ก, ก็อยาก เป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีอยากน้อนอยากนี่อยากเป็นผู้นำของโลกอะไรยางี้เป็นแล้วก็ไม่อยากลงนั้นความอยากนี่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยมนุษย์เลยเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกคราวที่อยากเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ แต่พวกเรานักปฏิบัติเราจะเห็นว่าทันทีที่จิตเกิดความอยากเนี่ยจิตจะมีความดิ้นรนเกิดขึ้นทันทีที่จิตมีความดิ้นรนมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์ทันทีเลย mm hmm. พวกเราเห็นตรงนี้ไหมถ้า mm hmm. เราเนี่เราเก่งกว่าเขานะเราฉลาดกว่าเขากูแน่กูแน่กว่าเขาถ้า <laughs> พาวนาต่อไปอีกนะถึงแจมแจ้งจริงๆอยรู้เลยถ้ามีขันก็มีทุกข์นะ จะมีความอยากหรือไม่มีความอยากฮะไม่เท่าไรหรอกจะอยากหรือจะไม่อยากขันก็เป็นทุกข์เ น, นี่คนทั่วไปถนะ้าสติปัญญาแต่ละขั้นจะไม่เหมือนกันคนที่ไม่ภาวนาหรือสัตว์ทั้งหลายมันจะเห็นว่ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขพวกเรานักปฏิบัติเราเห็นว่าแค่มีความอยากก็ทุกข์แล้ว จะสมอยากหรือไม่สมอยากไม่สําคัญนะแค่อยากขึ้นมาก็ทุกข์ลวถ้าภาวนาจแจ่มแจ้งจริงๆเนะี่ยเพราะว่าจะอยากหรือจะไม่อยากคันห้านี่ก็เป็นทุกขนะ์แต่โอกาสที่คนคนหนึ่งจะภาวนาจนเห็นคันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ง่ายนะต้องทุ่มเทต้องลงทุนมากเลยอย่างพวกเราขณะนี้เราเห็นแค่ว่าทันทีที่อยากก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแค่นี้ก็ดีนักหนาแล้วนะเราจะรู้สึกเลยว่า ตัณหาเนี่ยทำร้ายเรากิเลสตัณหาเป็นสิ่งไม่ดีมาทำร้ายเราใจมันยังคิดจะต่อสู้กิเลสตัณหาบ้างไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจตามโลกไปเรื่อยๆอยากอะไรก็สนองหาทางสนองไปเรื่อยๆสนองได้ก็ว่าโชคดีสนองไม่ได้ว่าโชคร้ายเดี๋ยววันหนึ่งก็เป็นโอกาสของเราบ้างคนในโลกคิดอย่างนั้นนี่พวกเราเห็นมาได้ครึ่งทางละ เราเห็นว่าถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์เราอยากเมื่อไหร่ใจดิ้นรนเมื่อนั้นะเนี่ยคอยรู้ลงไปดูของจริงไปเรืยเรารู้อะไรศัตรูที่ทําให้ชีวิตเราขาดความสงบสุขนะก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองมีกิเลสขึ้นมานะตัณหาก็ตามไมรื่อยๆย่างโทสะเกิดเนี่ยมีตัณหาตามไหมเกลียดขี้หน้าคนหนึ่งอยากให้มันหายไปจากโลกไหม อ, อยากให้มันถูกไล่ไปอยู่ที่อื่นสมัยก่อนเข้าคนไม่ต้องการนะส่งไปอยู่เกาะตะลุเตาเดี๋ยวนี้ใครไปได้อยู่คงรู้สึกภูมิใจโลกไม่แน่โลกไม่แน่ที่หนึ่งที่เดิมอยุหนึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวมันขุมนรกยกนี้เป็นที่อยากไปเที่ยวอะไรโลกไม่แน่ เราคอยรู้คอยดูใจของเราเรื่อยนะทุกคราวที่กิเลสเกิดมันจะมีตัณหาตามหลังมานะอย่างราคะเกิดชอบคนนี้ก็อยากได้ไพอกิเลสมันแรงขึ้นมามันกลายเป็นตัณหามาบงการพฤติกรรมทางใจก่อนตัณหามาบงการพฤติกรรมทางใจให้อยากโน้อนอยากนี้ไปด้วยพอบงการพฤติกรรมทางใจแล้วสติปัญญาเราไม่พออันนี้ กิเลสตัณหามันก็มาบงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาด้วยนี่เราขัดอิสรภาพนะมนุษย์นะต้องการอิสรภาพนะแต่ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการมีคนอุปยคนี้ไว้นานแล้วตั้งแต่ยุคกลางแนละ้วก็สื่จะรุโซ่เคยได้ยินชื่อไหม คนอยากได้อิสระภาพนะแต่ทุกคน้องแห่งเต็มไปได้วยแั น, านาการยิ่งแต่เขาไม่ลึกซึ้งพอถ้าลึกซึ้งพอแบบพระพุทธเจ้าเราพบว่าตัณหานั่นแหละทำให้เราสูญเสียอิสระภาพมันสั่งเราทั้งวันทั้งคืนอยากอยากดูต้องวิ่งไปดูรับใช้มันตามที่มันสั่งอยากฟังก็ต้องวิ่งไปฟังนะรับใช้ตามที่มันสั่งมันมันสั่งให้ไปฟังก็ต้องวิ่งไปหาที่ฟัง มันสั่งให้ไปหารถอันนี้ติดอกจิดใจในรสชาติอันนี้ต้องวิ่งไปตอบสนองหารถมาตอบสนองหากลิ่นมาตอบสนองแล้วก็หาอารมณ์ทางใจมาตอบสนองความต้องการเวลาเราภาวนาอยากได้มรรคผลไหมลงมือภาวนานะทำไปด้วยความอยากได้มรรคผลความอยากเป็นกิเลสกิเลสทำให้เกิดการกระทากรรมก็คือการภาวนา กิเลสเนี่ยเกิดร่วมพร้อมๆกับกรรมนะมีกิเลสแล้วทํากรรมมันเป็นสหาชาตปัจจัยงันงั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วลงมือทํากรรมฐานนะกิเลสแทรกตลอดเลยสติไม่เกิดทำแล้วเหนื่อยเปล่าๆ เ, เลยถูกมันหลอกละงั้นอันแรกเลยเวลาเราจะทํากรรมฐานนะไม่ใช่ทำเพราะอยากให้รู้ทันใจที่อยากทํากรรมฐานก่อน พอเรารู้ทันนะกิเลสมันจะดับโดยธรรมชาติแล้วทันทีที่สติระลึกรู้ได้กิเลสจะดับอัตโนมัติเมืกิเลสดับแล้วเหลือเหตุผลสมควรทํากรรมฐานไหมสมควรทำํำเพื่อจะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตไม่ใช่ทํากรรมฐานเพราะอยากโน้น อ, อยากนี้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากเป็นพระอริยะอยากพ้นทุกข์อยากนิพพานไม่ได้ทำเพราะอยาก จะทำเพราะเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ที่ควรทำมีหน้าที่ที่จะควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าสอนไว้เราเคารพพระพุทธเจ้าทําตามที่ท่านบอกนี่สมควรทาเราก็ทำกรรมฐานแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากได้รับผลคนที่ทากรรมฐานด้วยความอยากเยจริงๆไม่ได้อยากทำกรรมฐานแต่อยากได้ผลแต่ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเรา เคารพเชื่อถือท่านท่านสอนให้เราทำกรรมฐานเราอยากทำกรรมฐานไม่ได้อยากได้ผลเราพอใจที่จะทำเหตุไม่ได้หวังที่จะเอาผลจะต่างกับคนที่ทไม่อยากทำเหตุนะแต่อยากได้ผลอย่างคนขี้เกียจทำงานจะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนสีมีไหมพวกนี้ทำงานแล้วหวังนะว่าปลายปีจะได้หลายขั้นได้สองขั้นให้8ดขั้นก็ไม่เอานะ ได้เลื่อนยศ ด, ด้ว ย, ยงั้นไม่เอาเอาสองขั้นพอสามขั้นคนพวกนี้ไม่มีความสุขไม่ได้รักงานแต่รักผลประโยชน์งั้นถ้าทํางานโดยหวังผลประโยชน์นะในขณะที่ทํางานนะั้นไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารักงานนะเราทํางานไปเรามีความสุขไปเราได้รับผลตอบแทนทันทีที่ทํางานแนละ้ว มีความสุขที่ได้ทำอย่างถ้าเรารักการทำกรรมฐานทันทีที่เราทำกรรมฐานแล้วมีความสุขไม่ใช่ทรมานใจพวกเราใครเวลาทำกรรมฐานทำในรูปแบบรู้สึกทรมานบ้างมีไหมยกมือดูสินี่ยังไม่ได้รักที่จะทำกรรมฐานแต่อยากได้ผลใช่ไหมอดทนทำหวังว่าวันหนึ่งจะได้มรรคได้ผลรู้ไหมมรรคผลเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่อยากได้ ดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่เขาว่าดีก็ดีตามเขาไปเนาะถ้าเราเราพอใจที่จะทําเหตุนะไม่ไม่มุ่งผลนะไม่อยากได้ผลนะงานมันจะประณีตกันกระทั่งเวลาทํางานทางโลกนะถ้าเรารักในงานนั้นเราทํางานนั้นได้ดนะีผลออกมาจะดีไหมผลออกมามีแนวโน้มที่จะดีไม่ดีร้อเอร์ซไม่แน่ไม่มีอะไรแน่แร้ว แต่มีแนวโน้มว่าจะดีเวลาเราทำกรรมฐานนะเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้เพราะงานหลักของเราคือเรียนรู้กายคือเรียนรู้ใจเรียนรู้ธาตุรู้ขันถ้าเราเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้นะเราจะเรียนรู้ได้ดีแต่ถ้าเราเรียนรู้เพราะอยากโน้นอยากนี้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้หูทิพตาทิพอยากได้ทิพสวทิพจักสุนะอยากได้เจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่น เป็นไปได้ไหมที่จะรู้รู้ได้แต่ไม่ค่อยรู้ใจตัวเองรู้ใจคนอื่นง่ายนะรู้ใจตัวเองเนี่ยากที่สุดเลย mm hmm. คนชอบคิดว่าบรรลุมรรคผลมาหาหลวงพ่อเนี่ยมีเนืองเนืองชวนคุยไปสักพักหนึ่งให้เข้าสังเกตกิเลนะเสสังเกตกิเลสตัวเองเออกระาริยะระดับนี้ไม่ควรมีกิเลสตัวนี้ถ้ามันมีก็ไม่ใช่ละ พอเห็นของตัวเองก็รู้แล้วไม่ใช่ <S <S 1> <S 1> คนทั่วไปไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองแต่อยากได้ผลอยากได้อนโน้นอยากได้อนีนะ้ลองมาทำใจใหม่นะต่อไป น, นี้ลองภาวนาแบบไม่หวังผ ล, ลงได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อมันหวังขึ้นมารู้ว่ามันอยากนะรู้ทันใจตัวเองภาวนาด้วยความอยากก็ให้รู้ทันไปก็เรารู้ทันนะความอยากจะดับอัตโนมัตินะ ตอนนี้เราก็ภาวนาต่อไปบางคนถูกกิเลสหลอกซ้ำซ้อนอยากภาวนาเนี่ยพอรู้ว่าอยากนะไม่สนองกิเลสนอนเลยนี่นี่ถูกกิเลสหลอกซ้ำซ้อนใครเคยเป็นไหมกิเลสบอกเราอยากเดินจงกรมกิเลสสติรู้ว่าอยากกิเลสซ้อนเลยนอนเถอะอย่าไปเดินมันดัดสันดานมันซะบ้าง <laughs> นอนดัดสันดานให้เข็ดไปเลยนี่ใครเคยเป็นไหมนี่นเราคอยรู้ทันนะกิเลสเนี่ยตัวร้ายเนีศัตรูสำคัญของชีวิตเราเลยกนะิเลสไม่ใช่เรื่องลึกลับกนะิเลสเน่ไม่เป็นของดูง่ายไม่ต้องมีชานก็ดูได้เมันสบายกว่าดูรูปนะรูปจริงๆดูยากมากเลย นา ม, มาทำนะจริงๆดูง่ายคนจะดูรูปได้ดีต้องสรงฉานแล้วสมาธิแรงพออย่างเราจะเห็นเวลาเดินเนี่ยเวลาเหยียบพื้นนะน้องมันแข็งขึ้นมาใหมนี่ธาตุดินเพิ่มขึ้นเวลายกเท้าขึ้นเนี่ยน้องหย่อนลงไปธาตุดินลดลงนะเวลาหายใจเข้าธาตุไฟมีน้อยหายใจออกธาตุธาตุธาตุไฟเพิ่มขึ้นในลมหายใจในลมนะ ดูยากนะหรือการจะเห็นร่างกายเป็นธาตุแท้ดูยากเราเคยชินที่จะเห็นร่างกายเป็นอวัยวะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอาการสาสองเราเคยชินที่จะเห็นผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ไม่ใช่การเห็นธาตุถ้าเห็นธาตุจริงๆเราเห็นลึกลงไปอีกในผมเนี่ย มีทั้งธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมอยู่ในเส้นผมเส้นเดียวนั่นแหละในน้ําลายหนึ่งหยดในน้ําตาหนึ่งหยดมีธาตุดินน้ําไฟลมอยู่ดูยากนะไม่ใช่ดูง่ายๆ่าถ้าจะเห็นธาตุแปรปรวนไปเนี่ยดูยากมากเลยถ้าธาตุเนี่ยตัววัตถุตัวรูปเนี่ยอายุยืนนะอายุมันยืนกว่านมานมธรรมนามธรรมมันวับเดียวก็ขาดลนะนี่บางคนบอกว่าดูกายง่ายดูกายง่าย ไม่ง่ายจริงต้องไปทำสมาธิก่อนนะนนต้องทำสมาธิเลยกว่าจิตจะมีพลังมีสมาธิบางคนทำตั้งหลายปีสามปีสี่ปีนี้มีแรงพอเบอกดูกิเลสยากดูจิตยากยากอะไรใครๆก็รู้จักสภาวะที่เป็นนมามธรรมโกรธเป็นไหมใครเคยโกรธไหมหรือใครไม่เคยโกรธรู้จักไหมความโลภเป็นยังไง ร, รู้จักไหมความหลงเป็นยังไง ฟุ้งซ่นหดหูดีใจเสียใจสุขทุกข์รนะู้จักหมวดอิจฉาพยาบาทอิจฉากับพยาบาทก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหมใครแยกไม่ออกว่าอิจฉากะพยาบาทต่างกันยังไงนะกังวลกับกลัวไม่เหมือนกันดูนออกไหมดีกรีไม่เท่ากันเนะี่ยเราดูนะสภาวะที่เป็นนมามธรรมทั้งหลายที่บางคนบอกดูจิตยากต้องดูกายก่อนอะไรเงี้ย น, นั้นเป็นความเห็นเท่านั้นเป็นแค่ความเห็น ถ้าพูดในหลักวิชาแล้วคนที่จะดูกายดูเวทนานได้ดีต้องสรงฉันต้องทำสมาธิก่อนนะบางคนชาตินี้ไม่มีโอกาสทำสมาธิเลยทำไงก็ทำให้สำเร็จฟุ้งแหลกล้านนี่คนรุ่นของเราเนี่ยนะเคยได้ยินไหมเราชอบวิจาร์เด็กรุ่นนี้ว่าสมาธิสั้นของเราสั้นนะแต่เราชอบว่าเด็กว่ามันเถียงไม่ค่อยออกสังเกตไหมเวลาสวดมนต์หนีไปคิดไหม อ, อาลาหัางซัมมาซัมอะไรวะ ไปโน่นล้ไปที่อื่นแล้วบางทีสวดจนจบนะพุทโธพระควาติตรงกลางเนี่ยไปคิดอะไรก็กไม่รู้นะมาพระควาติเอาข้างหลังเนะี่ยสวดอัตโนมัตินะสวดด้วยไขยสันหลังเนะ่ยสมาธิสั้นไหมโอกาสที่พวกเราจะทําสมาธิให้ประณีตแนบเนียนนะทรงพลังไม่มากหรอกมีบางคนนะั้นมีอุปนิสัยเดิมการสิ่งยั่วของเราในยุคนี้เยอะมหาศาลเลย แ้่หวังว่าจะต้องมีสมาธิดีๆแล้วมาดูกายดูเวทนามันขาดเงื่อนไขตั้งแต่ตัวแรกแนละ้วสมาธิไม่พอแล้วนะก็ก้มหน้าก้มตาทําสมาธิเรื่อยไปหวังว่ามันวันหนึ่งมันจะพอพอทําสมาธิเป็นจริงๆไม่ยอมพิจารณาแล้วไม่ยอมเดินปัญญาละติดสมาธิซะอีกสงบสบายเพลินมีความสุขอยู่เฉยๆนะมีกับดักอยู่กลางทางนะมีกับดัก ส่วนการดูจิต ด, ดูใจนะใครใครก็ดูได้เด็กเจ็ดขวบพ่ดูได้หนูคนเนี้โดเลมอนเนี่อายุเท่าไหรนะ่เด็กคนนี้กลัวหลวลงพ่อไหนมีเด็กคนไหนไม่กลัวหลวงพ่อบ้างแล้วหนูเสื้อสีส้มกลัวไหม <laughs> กลัวแน่นอนเลยเกาะคนละข้างแล้ว <laughs> ระวังแม่แขนยุด <laughs> <laughs> เด็กยังรู้เลยนะว่าโกรธเป็นยังไง เด็กก็รู้ว่าอยากได้เป็นยังไงเด็นะกยังรู้เลยความรู้สึกนาน า, นานชนิดเป็นยังไงเด็นะกรู้ด้วยว่าแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันวันนี้แม่ตามใจก็รักมากหน่อยนะวันนี้แม่ขัดใจก็โมโหแม่เด็นะกยังรู้เลยนะเพราะฉะนั้นการจริงๆรการที่จะดูนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่ของยากอย่างที่คิดหรอกความสุขเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกไหมร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์ดูเป็นไหม ไม่เห็นจะยากอะไรจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์จิตใจเฉยๆรู้ไหมวันนี้ใจเฉยๆวันนี้มีความสุขตอนนี้มีความทุกข์ทุกคนดูเป็นอยู่แล้วนะนั่นจริงๆนํามาทําดูง่ายแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขด้วยดูได้ทันทีทันทีที่นึกขึ้นได้ก็รู้ได้เลยนะการดูจิตดูใจดูนํามาทําไม่ใช่ของยาก หลวงปู่ดูลเคยบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเราลาเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่เป็นทุกคนรู้เป็นอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เช่นความโกรธเกิดขึ้นทุกคนรู้จักความโกรธแต่พอความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ยอมดูว่าใจกำลังโกรธไม่ยอมดูว่าความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เราไม่ยอมดูตงเพราะความโกรธเกิดขึ้นเราไปสนใจคอยดูคนที่เราโกรธ เวลาดูทีวีมีบ้างไหมพวกนักการเมืองที่เราไม่ชอบมีไหมพอเห็นนักการเมืองที่เราไม่ชอบพูดใช่ไหมเราก็คอยฟังฟังด้วยความโมโหมันนะเกลียดมันยิ่งเกลียดคนไหนมากนะยิ่งสนใจมากยิ่งรักคนไหนมากยิ่งสนใจมากใช่ไหมเวลาเกลียดใครนะก็ไม่รู้ว่าใจกําลังเกลียดเวลาโกรธไม่รู้ว่าใจกําลังโกรธรู้ได้ไหมรู้ได้แต่ไม่ยอมรู้นะ เวลารักใครสักคนเราก็คิดถึงคนที่เรารักอย่างเดียวเราลาเลยที่จะรู้ทันว่าใจเรากำลังรักอยู่นะถ้าเราไม่ลาเลยนะเราก็รู้ได้เราคอยรู้แค่ว่าตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขขณะนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ขณะนี้เฉยๆรู้ว่าเฉยๆขณะนี้โลภขณะนี้โกรธขณะนี้หลงขณะนี้ฟุ้งซ่านขณะนี้หดหู่ ขณะนี้ดีใจขณะนี้เสียใจคอยรู้ทันยินดียินร้ายขณะนี้มีศรัทธาขณะนี้คลางแคลงขณะนี้มีปีติขณะนี้ไม่มีขณะนี้มีความสุขขณะนี้ไม่มีขณะนี้มีอุเบกขาขณะนี้ไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วแล้วความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยหมุนวนอยู่ในใจเราตลอดเวลา ความรู้สึกบางอย่างเกิดกับร่างกายคือเวทนาทางกายความรู้สึกบางอย่างเกิดแก่จิตใจคือเวทนาทางใจกับสังขารความปรุงทางใจปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเราอย่าละเลยเราคอยรู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นแก่จิตใจเราคอยรู้ทันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราว กุศลก็อยู่ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความผุนู๋ก็อยู่ชั่วคราวการที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเห็นซ้ำซ้ำซ้ำถึงว่าหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดล้วนจะดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับกระทั่งอริยมรร อริยามรรคเกิดแล้วก็ดับอริยผลเกิดแล้วก็ดับนะของที่ไม่เกิดไม่ดับมีแต่นิพพานนะเราเคยได้ยินมรรคสี่ผล4ี่นิพพานหนึ่งหมมรรคสี่ผล4ี่นิพพานหนึ่งเป็นโลกุตตะระรวมแล้ว9้าใช่หมสี่บวกสี่บวกหนึ่งเป็นเเรียกนว่าโลกุตตะระโลกุตตะระเกในโลกุตตะระเก้าเนี่ยมีโลคุตตระที่เกิดดับนะอยู่สักปด มรคสมรคสีก็คือโสดาปฏิมรคสกิทาคามีมรคอนาคามีมรคอรหัตมรคผลนสี่ก็คือโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตพ้นมรคผลเนี่ยเกิดชั่วขณะเท่านั้นอริยมรคเกิดหนึ่งขณะแล้วก็ดับอริยผลเกิดสองสามขณะแล้วก็ดับเกิดแล้วดับไม่มีที่เกิดแล้วไม่ดับมีอย่างเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือนิพพาน เราเวลาพูดถึงนิพพา น, นเราไม่พูดถึงว่าทำนิพพานให้เกิดนะไม่ได้ทำนิพพานให้เกิดเนืองเนืองไม่ใช่แต่ว่าเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นนิพพานนะสัจจิกิริยาสัจจิกิริยาเขาเข้าไปรู้แจ้งเข้าไปเห็นแจ้งนะไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปประหารไปทำลายอะไรนะไม่ได้กำหนดรู้ไม่ใช่ปริญญากิจนะนี่เราคอยดูไปนะหัดรู้ความรู้สึกในใจของเรา ดูไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าดูไปสบายๆายดูเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ดูเพื่อบังคับไม่ใช่ดูเพื่อห้ามไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ดูเพื่อห้ามไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ใช่ดูเพื่อจะพยายามทําความสุขให้เกิดขึ้นไม่ต้องพยายามทํากุศลให้เกิดขึ้นการที่เรามีสติตามรู้ตามดูเรื่อยไปนะอกุศลนั่นถูกละไปแล้วอกุศลใหม่ไม่เกิดหรอก ในขณะที่เรามีสติตามรู้ตามดูสภาวะเรื่อยๆไปนะั้นกุศลกําลังเกิดอยู่และกุศลกำลังงอกงามไพ่บูนขึ้นเรื่อยๆอย่างเรามีสติคอยรู้ทันจิตของเราเรื่อยๆดูออกไหมเราเกิดทิริอตปะขึ้นมาเวลาจะทําชั่วรู้สึกอายไหมเวลาเซลจัดรู้สึกอายไหมใครเคยเห็นเซลจัดบ้างรู้สึกไหมหน่าเกลียดโคตรๆเลยไม่ใช่น่าเกลียดธรรมดานะกิเลสอื่นยังไม่ดูน่าเกลียดเท่าตัวนี้นะ เวลาเซลจันน่าเกลียดโคตรเลยเนี่ยพอเราเห็นนะกิเลสน่าเกนะลียดเราก็มีทําตามใจกิเลสนะก็มีผลเป็นทุกข์น่ากลัวเราก็จะมีความละอายแก่ใจที่จะทําชั่วมีความกลัวผลของการทําชั่วแม้การที่เรามีสติคอยดูใจของตัวเองนะฮิริโอตปะก็เกิดเมื่อหิริโอตปะเกิด น, นะศีลก็เกิด คนที่มีศีลได้ดีนะั่นต้องมีหิริอตัตตะปะถ้าขาดฮิริอตัตตะปะก็รักษาศีลไม่ค่อยได้ก็พร้องกับแพร่งก็มันนาดานน ห, หน้าดานนะมันไม่กลัวบาปลัวกรรมมันทำชั่วได้สบายใจถ้าเป็นพระแล้วก็เรียกอารัตฉีอารัตฉีแปลว่าอะไรรู้ไหมหนาด้านอารัตฉีไม่ละอายหรือว่านาดานเพราะั้นถ้าเราเจอใครสักคนหน้าด้านเลยบอกอารัตฉีได้ไหม ได้แต่เขาเตะเอาไม่บ้างไม่บ้างเขาไม่ได้นะถ้าเรามีสติรู้ทันใจนะอิริยตตปาเขาเกิดศีลก็ เ, เกิดเมืใจิตใจเรามีศีลแลสมาธิเกิดง่ายมีสมาธิแล้วมาเจริญปัญญารู้รูป ร, ร, รู้นามรู้ธาตุรู้ขันเห็นความจริงของธาตุของขันธาตุขันทั้งหลายตัวสภาวะของมันเป็นอย่างไรอะไรทำให้มันเกิดขึ้นมา มันเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยจานวนมากเลยขันแต่แต่สภาวะที่เกิดขึ้นนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนเลยอย่างความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนะี่ยดูซ้าแล้วซ้ําอีกนะถึงวันหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาเห็นแต่ว่ามีสภาวะของรูปธรรมนามธรรมจานวนมากหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ตามที่เราอยาก เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยใจก็เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่ธาตุมีแต่ขันนั่นคือภูมิธรรมของพระโสดาบันนะต่อไปก็เห็นปัญญาแก่รอบขึ้นไปอีกเห็นแต่ทุกข์นะรูปธรรมก็ทุกข์นามธรรมก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นแจ้งอย่างนี้จิตก็ปล่อยวางความยึดถือในรูปรูปนาม ทิ้งรูปนามวางสลัดคืนรูปนามให้โลกเป็นสมบัติของโลกนะตรงที่ไม่ยึดถือในรูปนามนะตัวนั้นแหละเป็นภูมิธรรมของพระอรหันตะ์เพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมีแต่เรื่องต้องเรียนรู้รูปนามทั้งนั้นเลยนะถ้าทิ้งการรู้รูปนามแล้วก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาหรอกนะแล้วก็รู้รูปนามต้องรู้ตรงความเป็นจริงมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์เกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็ไม่มีมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งตรงที่เห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งนี่คืออนัตต า, นะาไปทานข้าวไ ป, ไปทำเหตุให้ท้องหายทุกข์นะ